ก็เฉยเฉยนี่คือสัญญาณเตือนภัยว่าความหายนะใกล้เข้ามาเรื่องนี้จะต้องรีบแก้ไขต้องฟื้นฟูบทบาทของวัดและพระสงฆ์ต่อชุมชนให้กลับคืนมาถ้าคนไทยชาวบ้านรวมทั้งเด็กๆรู้ตระหนักในคุณค่ามองเห็นคุ ณ, ณประโยชน์ของวัดและพระสงฆ์เขาก็จะคิดขึ้นมาเองว่าเขาต้องรักษาไว้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 สิ่งก่อสร้างแต่อยู่ที่บทบาทการทํากิจหน้าที่ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ทางธรรมทางปัญญาแก่ชุมชนถึงว่าจะมีอาคารมากมายใหญ่โตสวยงามแต่ถ้าไม่เป็นแหลงเจริญธรรมเจริญปัญญาไม่พาชุมชนให้งอกงามในกุศลคุณความดีความรูหราใหญ่โตของอาคารสถานที่ก็หมดความหมายถ้าไม่เป็นที่ริษยารังเกียจของชาวบ้าน ก็ได้แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นซากทางวัฒนธรรมวัดนั้นถึงจะมีสิ่งก่อสร้างตกแต่งใหญ่โตหรูหราถ้าไม่เป็นแหล่งธรรมแหล่งปัญญาก็เหมือนคนที่แต่งกายด้วยเครื่องประดับแพล่พราล่าแต่ตัวคนเองไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถอะไรได้แต่แต่งตัวโ อ, อวดฉวยชยไปมา